สสังคาทิเศษกันทาธิคำถามคำตอบในสังคารทิเศษกันเป็นต้น1 9 9 2ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคารทิเศษเพราะการพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นปัจจัยณนะที่ไหนทรงปรารบใคร เพราะเรื่องอะไรใครนำมา 1. สุกกะวิสัตถิสิกขาบทถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพูดทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษเพราะการพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นปัจจัยณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระเสยยสกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระเสยยสกะพยายามทํำน้ําอสุจิให้เคลื่อนถามในสุกาวิสัธิสิกขาบทนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปปณะบัญญัติอยู่หรือตอบ ในสุกกวิสัตถิสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่ mhm. งพระอนุบัญญั kind of okay. ติไม่มีอนุปปณะบัญญัติถามมีสัพพะบัญญัติประเทศบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพะบัญญัติถามมีสาธารณะบัญญัติอาศาระนะบัญญัติอยู่หรือตอบมีอสาธารณะบัญญัติ ถามมีเอกโตบัญญัติอุพะโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีเอกโตบัญญัติถามบรรดาพระปาติโมกขุเทศห้าอุเทศสุกวิสัตธิสิกขาบทนี้จัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนตอบจัดเข้าในนิฐานุเทศนับเนื่องในนิฐานุเทศ ถามมาสู่อุทเทศโดยอุทเทศไหนตอบมาสู่อุทเทศโดยอุทเทศที่สามถามบรรดาวิบัตสีอย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นศีลวิบัติถามบรรดากองอาบัตเ7กองเป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตสังคาทิเศต ถามบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรตอบเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาถามใครนำมาตอบพระเถระทั้งหลายนำสืบสืบกันมารายนามพระเถระ